ب سم الله الرحمن الرحيم ن الحمد لله نحمده و ن س ع ن إن الحمد لله ن ح د و ن س و س ب ا ل س ونعوذ بالله من شرور ن ف س ن ا ومن سيئات ع م ا ل ن ا ما يهده الله فلا م د ّ ل ل م ه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอินชาอัลลอฮ์ครัวันนี้เราก็กลับมาพูดคุยกันต่อในส่วนของวิชาทับซิทหรือก็คือวิชาการทําความเข้าใจในคําพูดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์อยากจะให้เราเข้าใจเราได้เริ่มจากสุรัลอัลฟาติฮะซึ่งอินชาอัลลอฮ์วันนี้คงจะสรุปปิดในส่วนของสุรัลอัลฟาติฮะถ้ามีเวลาเราก็จะต่อสุราาสัลนัสตอนนี้อยากให้ช่วยกันสรุปครับว่าสาระที่เราได้จากสุรัลอัลฟาติฮะมุสลิมเราได้อะไรบ้าง จากสุรอัตฟาติฮะหรือที่ถูกเรียกว่าเป็นอุโมงคกิตารแม่ของคัมภีร์ทั้งเล่มแม่ของอัลกุรอานก็คืออัลฟาติฮะก็แปลว่าเนื้อหาสาระในกุรอานทั้งหมดนั้นออกมาจากสุรัตฟาติฮะสุรัตนี้สุรัตเดียวซึ่งเป็นสุราตที่เราใช้ในการละหมาดทุกวันครับอยากช่วยกันสรุปครับสาระที่ได้จากสุรานี้จะเป็นความหมายจะเป็นประเด็นจะเป็นอะไรก็ได้ขอสรุปเป็นเพสามสี่ข้อ แลวเดี๋ยวผมจะปิดด้วยกับาพาริซที่ทำให้เราเข้าใจความหมายหรือว่าความยิ่งใหญ่ของสุราฟติฮ์ามากขึ้นอินชาอัลลอฮ์ครั บ, บ, รครร บ, บริกุน้นสราสุราบอบาลกาตุครับช่วงนี้อากาศแ ป, ปรเปลี่ยนก็รักษาสุขภาพเป็นด้วยครับเม่ครับมีท่านใดอยากพูดอะไรเกี่ยวกับสุราฟตาิฮ์บ้างครับอะไรก็ได้เลยครับกว้างๆเลยครับผมขอเริ่มด้วยกับคุณอาสนวีได้หมครับอ่าครับขอชงหน่อยครับชงหน่อยคนหครับสุราฟติฮ์เป็นราที่ ความดีนการขอขอความดีจากอัลลอฮฺในการปฏิบัติครับดีเท่าไหร่เราทำดีแล้วจบไปแล้วครับเโอเคครับทำดีแล้วก็คือสรุรพัฒน์เป็นสรุรที่ว่าขอสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งอยากจะได้นี่ยก็คือการที่ได้อยู่ในหนทางที่อัลลอฮฺรักและในขง่โดยกันไม่ใช่แค่ขอให้ได้อยู่ในแนวทางไม่ใช่ขอแค่ให้อัลลอฮฺทางแต่ขอให้อัลลอฮฺทาให้เราสามารถทําได้ด้วยแสดงเห็นถึงความ ใช้ความสามารถของมนุษย์อย่างพวกเราแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของเลาครับท่านเลมีอะไรเสริมในส่วนของสุรฟาร์ติฮาครับจากสุรฟาร์ติฮาเนี่ยความประเสริฐของสุรฟาร์ติฮาเราจะเข้าใจเอาล้อมากขึ้นเดี๋ยวผมจะธิบายบีอินชาลอว่าเข้าใจเอาล้อมากขึ้นยังไงทางกลุ่มนี้ว่าไงครับสุรฟาร์ติฮาไม่ได้อยากจะพูดอยากระเสริมไหมไม่มีเป็นเลยไม่ต้องซีเรียสลองข้ามก่อนคิดได้ไปบอกโอเคครับงั้นเพื่อไม่ให้ซีเรียส เ, เกินไปผมสรุปเลยละกันอ่าครับ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 จะรับฟังทันหรือเปล่าสมมุติตอนนี้คนประเทศไทยขอสมมตินะครับสมมติ ว, ว่าเราว่ามีพร้อมกันพระเจ้าแห่งความร่ำรวยที่เขารับถือกันแล้วถ้าคนในเมืองไทยขอคนในเมืองจีนขอคนในอินเดียขอถ้าขอพร้อมกันพระเจ้าจะรับฟังทันหรือเปล่าคเคยสงสัยไหมครับคือคำถามนี้ผมถามแล้วผมยังไม่เคยเจอคนในศาสนาใดตอบได้เลย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 คือผมใช้ค๊อสสมมติเพราะทฤษฎีโลกกลมโลกแบนยังไม่มีข้อสืบที่แน่นอนเพราะแต่และทฤษฎียังมีอะไรที่ค้านกันอยู่แต่สมมุติว่าโลกกลมถ้าโลกกลมก็แปลว่าตอนนี้ภากนี้หนึ่งในสามคืนสุดท้ายอีกชั่วโมงหนึ่งอีกภากหนึ่งหในสาหนึ่งในสาหนึ่งในสาก็แปลว่ายี่สี่ชั่วโมงอัลลอฮ์ต้องลงมาตลอดใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นหนึ่งในคําถามที่ว่ามุสลิมเองก็ไม่เข้าใจแล้ว ล, ลมุสลิมเอก็งงว่าตกลงแล้วอัลลอฮ์จะจะจะรับคําขอของฉันยังไง เพราะนั้ตอบที่มุสลิมเราทุกคนต้องเชื่อมั่นและเราต้องตอบได้อัลลอฮ์คือผู้สร้างเวลาย้านะอัลลอฮ์คือผู้สร้างเวลาพราะองค์ทรงอยู่เหนือการเวลาคําว่าเวลาไม่มีขีดจํากัดสำหรับอัลลอฮ์พอเราบอกว่าไงครับถ้าเราแค่เราคิดว่าหนึ่งวันปกติยีชั่วโมงเนี่ยอัลลอฮ์จะฟังได้ยังไงบางครั้งเรายัางสงสัยแต่เวลานณที่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ Allah บอกในสวรรค์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 7พันล้านคนขอดอวจากอาลัลลอฮ์พร้อมๆกันสาหรับพวกอลัลลอฮ์มันไม่ใช่เรื่องยากที่พระองค์จะรับฟังทุกคำขอแล้วก็ตอบทุกคำขอภายในวินาทีเดียวนี่คือพระเจ้าเพราะสิ่งที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอลัลลอฮ์คือสุลตานติฮะพวกเรารู้ไหมครับว่าทุกครั้งวันอุสสาราบตับรารกาตูครับดีดีดตอรับพี่สาวแสนงามครับรพี่สาวแสนสวย ครับมาชาลละครับผมมีคนงามมากกว่าดีใจครับเขากำลังอูดถึงความยิ่งใหญ่ของละลอคับปี่ครับแล้วสิ่งที่ผมเคยบอกนะครับว่าพวกเราอย่าได้รู้สึกว่าเราต่ำต้อยเราในฐานะคนคนเดียวเนี่ยปักเจกชนเนี่ยอย่าได้คิดว่าเราต่ำต้อยเพราะทุกครั้งที่เรายืนตักบีระตุนเอียรอมทำการละหมาด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 น บ, บียกคพูดอัลลอ์มาทีอัลล์ผู้ทรงสูง ส, งส่งได้บอกว่าไงครับข้าได้แบ่งการละหมาดอัสซลในที่นี้หมายถึงการอ่านฟาติฮ์ในละหมาดฟาติฮ์ก็คือการอ่านอัลฮัมดุะครับหมายถึงทุกครั้งที่มีบ่าวสักหนึ่งคนยืนขึ้นแล้วก็ทการละหมาตบิษอัลลอฮักบัดแล้วก็อ่านโดยอิทิตาแล้วก็บิสมิลลาแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลาลมอัลล์บอกว่าไงครับข้าได้แบ่งสุราฟาติฮ์ในตอนละหมาตเนี่ยเป็น2 ส, ส่วน าติหะในละหมาดเอาเรแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นของค่าอีกส่วนหนึ่งเป็นของบ่าวของค่าที่เขากำลังละหมาดอยู่คนนั้นเาราพูดถึงคนคนเดียวเลยแปลว่าเราให้ความสำคัญระดับลากยาเลยระดับปกเกลีจนทีละคนเลยเอาเราบอกไงครับเมื่อบ่าวคนใดก็าตามเขาได้พูดว่า alhamdulillahirabbil a l a m i ปกติเราอ่านกันประจําใช่ไหมครับนบีบอกว่าเราจะพูดว่าไงครับอัลลอฮ์พูด ส, งส่งส่งจะบอกว่าบาวของข้าได้เสริเสริญข้าอัลลอฮ์ได้พงจะพูดทุกครั้งที่เรายืนละหมาดแล้วเราอ่านฟาตีฮ์คนทุกคนบนโลกทุกเวลาที่ละหมาดแล้วอ่านฟาตีฮ์อัลลอฮ์จะให้ความสําคัญกับเราแล้วอัลลอฮ์ก็จะพูดกับเราว่าบาวของข้ากําลังเสรรเสริญข้าอยู่นี่คือส่วนของอัลลอฮ์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 อัลลอฮ์มานอัลอฮ์มอัลลอฮ์พูดกับวรรคที่สองที่เราอ่านหล่ะจากไม่นับอิสลามอัลลอฮ์มานอัอฮฮิมแมลิเกียวมิดีนแปลว่าอะไรครับผู้ที่เป็นจามสิดผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างเด็ดขาดในวันแห่งการตอบแทนพอเราอ่านปุ๊บอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าบาวของข้าได้มอบหมายแก่ข้าแล้วได้มอบความยิ่งใหญ่ให้แก่ข้าแล้วอัลลอฮ์พูดตแต่ละอ่านฟาติฮ์ หลังจากที่เราบอกมาลิกิลมิตรีนอียะกาณะอบูดูว่าอียะกาณะสัยนเมื่อเราอ่านอายะนี้อัลลอฮ์จะบอกว่าไงครับอายะนี้แปลว่าอะไรนะอียะกาณะบูดยะกาณะสัยนเฉพาะพรงครับแล้วก็เฉพาะพระงคเท่านั้นที่พวกข้าขอความช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็จะบอกว่าไงครับอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งก็จะบอกว่านี่เป็นเรื่องระหว่างข้าและบ่าวของข้า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 ก็คือทั้งสองฝ่ายเป็นสองทางแล้วอียกะกาณะบุดว้วยอียกะกาณ์สตาอินเมื่อบ่าวของข้าพูดว่าอีดีนัสซิรอตต์มุสตากรีมจนจบไปว่าอะไรครับโปรดนำทางเราสู่หนทางที่ถูกต้องหนทางที่ไม่ใช่ผู้ที่พงโกดกิ้วแล้วก็ไม่ใช่หนทางของผู้ที่หลงผิดเอาละผู้สูงส่งก็จะบอกว่าส่วนนี้แหละคือส่วนของบ่าวของข้าแล้วบ่าวของข้าจะได้ตามที่เขาขอ ฮาดีอับดีวาลยับดีมาสอันนี่แหละคือส่วนของบาวของข้าแล้วเขาจะได้ตามที่เขาขอเป็นซูรอเดียวเท่านั้นในอัลกุรอานที่เอาล่ะจะให้ความสําคัญกับคนทุกคนที่อ่านถึงขั้นว่าพระ อ, องค์พูดต่อหลังจากที่เราพูดจบทุกอายะแล้วก็พอมาอายุสุดท้ายแล้วบอกไงครับนี่แหละคือส่วนของบ่าวข้าเต็มๆละบ่าวข้าอยากได้ความรอดพ้นบาวข้าอยากให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องถ้าเขามีความป่าเถนาในเรื่องนี้อย่างแท้จริง เขาจะได้ตามที่เขาขอนี่คือส่วนของบ่าปของข้าแล้วบาปของข้าจะได้ในสิ่งที่เขาขอเพราะฉะนั้นจากฮะดีษบทนี้ครับที่ท่านระเบีรร๊ยมัสลราะของอัสสลามทําให้เรารู้ประการแรกรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เราไม่ต้องไปห่วงเลยว่าอัลลอฮ์จะได้ยินไหมอัลลอฮ์จะรับรู้ไหมคนทั้งโลกยินละหมาดพร้อมกันหรือจะขอ dua พร้อมกันขนาดฟาตีฮะที่ว่าวันหนึ่งคนทุกคน17บเจ็ดรากาถูกไหมครับ17บเจ็ดรากาต้องอ่านฟาติฮะทั่วโลก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 บางครั้งรละหมาดก็ละเลยไปมั่งบางทีละหมาดก็รีบๆทำให้จบบางทีละหมาดก็ขนอะไรก็ไม่รู้เข้าไปในละหมาดเข้าเฝ้าหาเราเราขนดุนยาทั้งหมดไปอยู่กับเราไปคิดต่อตอนละหมาดในขณะที่เราท่านให้ความสนใจเราแล้วะให้ความสําคัญกับเราแล้วแต่เรากลับเลือกละทิ้งจุดตรงจุดนั้นไปด้วยกับภาคผลดุนยาหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นซุลราฟาร์ติฮะเป็นหนึ่งในซุลรที่มีความสําคัญมากที่สุดสําหรับมนุษยชาติ เพราะมันคือทางนํามันคือความรอดพ้นมันคือการรอดพ้นแล้วมันคือความผูกพันระหว่างพระเจ้าและมนุษย์เพราะฉะนั้นเวลาเราละหมาดครับอยากใ ห, ให้ความสําคัญกับสุราฟาติยาให้มากขึ้นเวลาอ่านค่อยๆ อ, อ, อ่านไม่ต้องรีบปกติเวลาท่านอับดุลฟลอ์ซอลลฮ์มาเลลัรรมท่านจะทําการละหมาดท่านจะอ่านแบบช้าๆอ่านแบบไพเราะนะครับแล้วก็หยุดเป็นจังหวะหยุดเป็นอายะเป็นอายะอายะคือลมหายใจเดียวท่านจะไม่อ่านให้จบฟาติฮ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 อายะห์ที่สองก็คืออัลฮัมดุลิละฮิรับบิลอาลัมินบางครั้งเวลาเราอ่านนะครับบางครั้งมันจะเผลอมีเสียงสะท้อนออกมาเป็นอัลละหัมมีใครพลาดม้างอัลละหัมอัลลัมดุลิละฮิรับบิลอาลัมินบางที่มันมันออกไปเองมันออกมาเอ ง, ออาเองบางครั้งผมก็พลาดเหมือนกันเราบอกตอนแรกว่าอัลฮัมดุลิละแปลว่าอะไรนะครับมวลการสารเสริญถ้าอัลละหัมเนี่ยมันจะแปลว่าเนื้อ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 อะรอฮ์อะ ร, ร, รอฮ์มาเนื้อรอฮีมตรงนี้ที่ว่าอาจจะพลาดการจานเป็นอะรอฮ์มานไปเลยอะ ร, ร, รอฮ์มานเนื้อรอฮีมอันนี้ออกเสียงผิด ต, ต้องเป็นอะรอฮ์มามามาาอมาซาลาอะรอฮ์มานิ้อ ร, รอฮีมตรงอะรอฮ์มานตัวนี้จะเป็นตัวทั่วผู้หญิงจะออกเสียงมีลำปัญหานิดหนึ่งตัวฮาเล็กฮาเล็ก รอรอส่วนใหญ่จะรวมกันระหว่างฮาเล็กกับฮาใหญ่ฮาใหญ่นี่เป็นรอรอนี่จะเป็นเสียงพยายามแผลบเอาเท่าที่ได้รอมานิรรอฮีมไม่ใช่รอฮีมนะบางครั้งจะาพอ่านเป็นรอจะเป็นรอฮีมมันต้องเป็นรอรอฮีมอัลรอฮ์เมะนิรรอฮีม ต่อไปมาลิกิเอมิดดีนอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรต่อไปครับอียเกออียเกจงคาว่าอีนะครับฮามซกับยามีชัดนะตัวยาต้องเน้นอ่านแล้วเหมือนเหยียบเสียงอ่ะอียกอียกอียกนะนะบูดูตัวนะอียกนะบูดูวอียกนัสติน ตัวอินก็พยายามต่อไปครับที่มักจะผิดกันอีอีส่วนใหญ่จะเป็นอีหรือว่าอี๊ยความหมายก่อนเรื่องเลยมันจะกลายเป็นตาฮัต ด, ดีแปลว่าท้าทายอีดีเนละสซีอรอมันจะแปลเหมือนกับว่าจงท้าทายหรือว่าอะไรประมาณนั้นมันจะเป็นอีอีพยายามกดเสียงที่อยู่ข้างล่างนะครับอีดีเนละ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 มักไม่ต้องมีเสียงสะท้อนนะไม่ต้องเป็นมักเดมาดูบิอเลห์ฮิมวฟวฟจะักเสียงยาวเพราะลามยุทลาวอรฟทีนี้ครับดอกับลีนคิดว่าอันไหนอันยาวกว่ากันดอล น, นะครับอ่าดอนยาวกว่าลีนนะดอลีนแล้วอามนอันไหนยาวอันไหนสั้น อายาวมีนสัน้นอันนี้คือที่เรามักจะพลาดกันจริงๆมัดบดันอาต้องสัน้นอาอ่านแค่สองฮาโลกะอารมีนมีนยาวเลยเพราะเป็นอาริธิสุกูลอันนี้ความเคยชินนะครับทางบ้านเราผมก็โตมาแบบนี้ก็คือโตมาอายาวไว้ก่อนอามีนยังสรุปต้องอาสันนะา้นเนาะอามีครับอานี่สองฮาโลกะประมาณนั้น อารมีนไปว่าอะไรใครรู้บ้างครับครับก็คือก็จะคล้ายๆกับของคริสเตียนคริสเตียนคือเอเมนความหมายเดียวกันก็คือขอรพระเจ้าตอบรับอารมีนกับเอเมน น, นะะแต่เราเป็นภาษาหลกแล้คืออารมีนเนื่องการหลักเสียงคงไม่เน้นกันไม่ไม่ใช่ที่นี่ถ้าสนใจก็คือศุกร์เสาริที่อาจารย์ซาร์ใช่ไหมครับผมกลับไปตรงนั้นละกันเพราะอาจารย์เขาออกเสียงชัดกว่าผมางั้นตอนนี้เรามาส่วนของสุรขอโทพี่สุรต่อไปก็คือสุร อ, อนานาสัส กูเอ่อเอางูดูไหากอยากจะรู้จักข้อเท็จจริงของมนุษย์ต้องศึกษาสุรนี้และหากอยากจะรู้ข้อเท็จจริงของอัลลอฮ์ต้องศึกษาสุร้อัลอิคลัสอยากรู้จักมนุษย์สุรนี้เลย อยากรู้จักอันแล้วสุร่าอีคลาสสุร่าเดียวชัดเจนตอนนี้เรามาทําความรู้จักตัวเองก่อนบางคนบอกฉันก็อยู่กับตัวเองมาตั้งนานแล้วฉันรู้จักตัวเองดีรู้จักดีนั่นแหละแต่เรามาย้ํามาเน้นตรงที่ควรเข้าใจให้มันเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นสุร่าอันนัสครับเป็นสุร่าสุดท้ายในคัมภีร์อัลกุรอานเรียงตามลาดับะนะครับผมเป็นสุร่าที่สุดท้ายแต่ไม่ใช่สุร่าสุดท้ายที่ถูกประทานมาเนาะพราะเรา เผื่อบางขัานไม่เข้าใจผมขอสรุปย้ำนิดนึงนะครับผมคำพีอัลนุรานที่เอาลอปประทานมาให้กับท่านนับดุมฮัมหมัดสุลองอลลฮฺอสซลามเนี่ยตอนนี้จิงอยู่อยู่ต่อหน้าเราเลี้ยงเป็นเล่มแล้วมีการเล่นดับเป็นซูราะเรียบร้อยแล้วแต่ในยุคสมัยท่านนับดุมฮัมมัดสลองอลลฮอัสซลมอัลลอฮได้ประทานกุรานมาทีละส่วนทีละส่วนส่วนแรกก็อิกราะอิกราะบิสลับเกัลลาีข้าักาอาาแรกหลังจากนั้นก็ส่งประานมาซูราะอื่นซูราะอื่นซูราะ คือไม่ได้ส่งสุรลอมาหนึ่งจนจบแต่พวกอัลลอฮ์ประทานแต่ละส่วนมาตามความเหมาะสมของสถานการณ์อย่างมีคนมาหาอบีและถามอบีบอกว่าช่วยบอกฉันเกี่ยวกับข้อแท้จริงของวิญญาณหน่อยสิอัลลอฮ์ก็ประทานอายะกราด ล, ลงมาหลังจากที่หายไปสองสมร์อร์ประทานมาว่าย y e s a r u l a k a l i r u q u ร i r ม m i n a l m i ร a b b บ, บีพวกเขาจะมาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณจงบอกเถิดว่าวิญญาณ น, นั้นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์และพวกเจ้าไม่ได้ความรู้นอกจากเพียงเล็กน้อยหรือว่าอะไรทํานองนี้ครับผม คือพอมีเหตุการณ์ปุ๊บพวกอขล้อก็จะประทานอายะกุรานส่วนนั้นมาเพื่อเป็นการอธิบายเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเวลามีอายะกุรานมาท่านบิสสรัตซัมก็จะเรียกบรรดาซาฮบะที่ว่าเป็นผู้ที่ท่องจำแม่นอย่างเช่นท่านไอรีอย่างท่านอบูบักขอย่างท่านอุมะรก็ตามที่ว่าเป็นทําหน้าที่บันทึกอัลกุราน ท่านอบีก็จะบอกว่าตอนนี้เอาเลาะประทานอายันี้มานะอายันนี้ไปรวมกับอายันนี้นะเป็นบทเดียวกันนะอายันนี้ไปรวมไปอายันนี้เป็นบทเดียวกันพอกุรอานประทานมาปุ๊บจนครบสุร้อนอับีก็จะบอกซอบาธีว่าอันนี้รวมกันเป็นสุระอนนี้นี่รวมกันเป็นสุระอนนี้จนกระทั่งว่าครบหนึ่งร้อยสี่สุรก็คืออยากขอให้รู้ว่ากุรอานเนี่ยเราไม่ได้ลงมาทีเดียวเล่มหนึ่งปึ้งเลยแต่ลงมาทีละส่วนซึ่งข้อดี มากมายลงมาทีส่วนกอดีมากมายหนึ่งในนั้นก็คือทําให้จําง่ายและนี่แหละคือหลักในการท่องจําอัลกุรอานเวลาจํากุรานเราสังเกตดูกุรานจะแบ่งเป็น30ยุษใช่ไหมครับการแบ่งเป็นสามสิยุษพิ่งมาแบ่งกันทีหลังถามว่าทำํำไมถึงแบ่งครับที่แบ่งเป็น30ยุษเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะอ่านกุรานให้จบเล่มในเดือนรอมฎอนเพราะเดือนรอมฎอนมุสลิมอยากอ่านกุรานให้จบเล่มใช่ไหมครับ แล้วพอมาเจอทางเล่มร้อยสิบสี่ส่วนเราอ่านไม่จบบาคาร์ลส์สักทีเนี่ยมันท้อไหมท้อนะยิ่งยาวๆมันท้อท้อท้ อ, ทอในวิชาการเขาก็เลยว่าอาแบ่งกุรานไปสามสิบส่วนคุณแบ่งยังไงก็ได้ถ้าคุณอ่านวันละหนึ่งส่วนถ้ารมดำมีสามสิบวันคุณจบเลมแน่ก็คือเพื่อให้ง่ายขึ้นแล้วทีนี้ในการท่องจํานักวิชาการก็มีการแบ่งอีกแต่ละยุสแบ่งเป็นสองส่วนที่เรียกว่าฮิสแต่ละส่วนแบ่งเป็นอีก4ส่วนย่อย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 เขาบอกตลอดชีวิตไม่เคยอ่านฟาเจอร์ได้เลยแต่พอมีใจปุ๊บอัลลอฮ์ให้ฮิเดยากุรานไม่เหมือนคํำพิอื่นในโลกถ้าคนที่เปิดใจเข้าหาอัลลอฮ์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์ใช้ความง่ายได้แก่เขาแต่ใครก็ตามที่ไม่ให้ความสําคัญกับกุรานมันจะไปจากเขาง่ายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดอยากต้องจํากุรานอายุไม่ใช่ปัญหาอายุไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าท่านนบีมัซลลอร์สลามเริ่มจํากุรานตอนอายุสี่สิปี กุรานประธานสมบูรณ์ก็คืออายุ60กว่าปี63ปีโดยประมาณท่านก็ยังจํากุรานได้ทางเล่มเพราะฉะนั้นอายุไม่ใช่อุปสรรคก็เริ่มจากง่ายๆครับเริ่มจากให้ความสมควรกับฟาติฮะหลังจากนั้นก็ซูเราะสั้นๆที่เราพอจะได้ถ้าใครมีความสามารถกว่า น, นั้นเอาล้อยความสามารถก็ไปเท่าที่เราจะไหวแต่ที่แน่ๆใครที่ให้ความสําคัญกับกุรอานเขาจะเป็นอาลุลิกุรานเป็นชาวกุรานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เอาล้อรักมากที่สุด ล้วเรากลับมาสุรานนัสครับสุรานนัสเนี่ยอัลลอฮ์เริ่มด้วยกับหลังจากที่ว่าบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์มกุลอาอูดุบิรับบินนัสอัลลอฮ์เริ่มด้วยกับคำ ว, ว่ากุลจงกล่าวจงประกาศจงพูดอัลลอฮ์สัง่งใช้ท่านอับีมุมตัลลัลของในสลุลามหมความว่าไม่ใช่แค่ทำความเข้าใจไม่ใช่แค่ยอมรับแต่ต้องประกาศให้รู้กันด้วย โงกาเรเถิดมูฮัมห ม, มัดและใครก็ตามที่ตามแนวทางของมูฮัมหมัดอูซุบิโรบบินนสัสเดี๋ยวเราดูความหมายกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยอธิบายว่าทําไมผมบอกว่าหากอยากรู้จักมนุษย์ต้องมาศึกษาสุรนี้เราแปลให้จบอ า, ายัก์ก่อนกุล่าอูซุลบินนสัสแปลว่าจงกาเรเถิดมูฮัมหมัดฉันขอความคุ้มครองขอต่อใครครับโรบบินนสัสถ้าสังเกตดูในกุรานอย่างในสุรนเนี่ย ปกติชื่อที่เรามักจะรู้กันคืออัลลอฮ์ถูกไหมครับถ้ามีปัญหาแล้วก็ขอด้วยกับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ตอนนี้ฉันเดือดร้อนยาอัลลอฮ์เนี่ยขอให้ความช่วยเหลือฉันด้วยยาอัลลอฮ์ฉันมีหนี้สินยาอัลลอฮ์ปวดเมื่อยตาฉันยาอัลลอฮ์ปวดให้ไปโทษปกติถ้าเราขอได้จากอัลลอฮ์เราจะขอด้วยกับชื่อชื่อเดียวก็คืออัลลอฮ์แต่พอเรามาดูในสุรานะสอัลลอฮ์ Allah ไม่ได้บอกว่ากุลอาอูสุบิลละจงกล่าวเถิดฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์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 เพราะนั้นจากที่เราได้ในสระออา น, นาสนะครับประการแรกเลยนะครับสิ่งที่มุสลิมเราต้องพยายามทําให้ได้เวลาเราจะขอดาจากอัลลอฮ์เรารู้ว่าพระองค์มีพระนามมากมายถูกไหมครับพระนามอันภไยจิตขอเรามีมากมายเวลาเราอยากจะขออัลลอฮ์ในด้านไหนพยายามขอโดยใช้ชื่อของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับด้านนั้นยกตัวอย่างตอนนี้เรารู้สึกผิดเราทําสิ่งไม่ดีมาเยอะแล้วเราอยากขอไปโทษต่ออัลลอฮ์ เราก็จะบอกว่าโอ้ผู้ที่ให้อภัยโทษโปรดให้อภัยโทษแก่ฉันด้วยโอ้ผู้ที่ให้อภัยผู้ที่ไม่ถือสาแก่บาของพระองค์โปรดอย่าถือสาแก่ฉันก็คือยากอแฟร์ยากอฟรูรการเลือกใช้ชื่อที่เหมาะกับด้านที่เราจะขอเป็นหนึ่งในมารยาทการขอด้วยว่าที่ว่าเป็นแบบอย่างจากท่านอับดุลเบียร์มอลัลลอห์ฮะเลสลัมแล้วก็เป็นแบบอย่างจากกุรานพราะที่เราดูในอัลกุรานอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ใช้แค่คําว่าอัลลอฮ์ แต่จะมีหลายคำอันเนสก็โรบินเสฟารักก็กุลอูซูบโรปินฟาักมีชื่อหลายชื่อซึ่งเราจะค่อยๆว่ากันไป <c oughs> ผู้ที่ดูแลมนุษยชาติผมไม่ต้องพูดถึงว่าดูแลอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เราเป็นวุ้นและอยู่ใน อ, อยู่กับพ่ออยู่กับแม่ตั้งแต่เราคลอดมาก้ามเนื้อเซลล์ทุกอย่างสุขภาพอากาศอาหารทรัพย์สินดิสกี้ความเป็นอยู่ฝนต้นไมกลากไม้อะไรทั้งหมดล้อดูแลมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขอความมุ่งมั่นจากล้อคือ โอ้โห oh ฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อธิบาลแห่งมุษเซียชาติผู้ละอุสระ บ, บินเนสมาลิกินเนสผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในมนุษย์อย่างแท้จริงอย่างเบ็นสิทธิ์ผู้ที่เป็นเจ้าของมนุษย์นะครับมาลิกินนนสเราขอความคุ้มครองต่อพระองค์มาลิกินเนสผู้เป็นเจ้าของเราอีลาหินเนสอีลาหินเนสอีลาหุน ภาษาอังกฤษแปลตรงตัวเลยแปลว่าก็อตเลยก็อตแปลว่าพระเจ้าหรือผู้ที่ถูกกราบไหว้นี่คือความหมายของคําว่าอีลาคุณอีลาเฮนเนสหมายถึงผู้ที่ถูกศักกระโดยมนุษย์อีล า, นนาเฮนเนสบุลโลสราสปินเนสฉันขอความคุ้มครองต่อผู้ที่บริหารดูแลมนุษย์ผู้ที่เป็นเจ้าของมนุษย์ผู้ที่ถูกกราบไหวโดยมนุษย์ เราขอผ่านสามชื่ออันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจปกติเวลาเราจะขออะไรก็ตามหรือในกุรานเนี่ยเอาลาจะเอ่ยพระนามเพียงพระนามเดียวอย่งางกุลอูสุรบินฟลัลกจงกล่าเถิดฉันขอความคุ้มครองต่อผู้ที่เป็นเจ้าของแห่งรุ่งอุณนขอความคุ้มครองให้พ้นจากสามสี่อย่างปกติใช้ชื่อเดียว แต่ในสุร้อนนี้ใช้ถึงสามชื่อของพระ อ, องค์เพื่อขอความคุ้มครองให้รอดพ้นจากสิ่งสิ่งเดียวแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรากําลังจะขอต่อไปนี้มันเป็นเรื่องที่อันตรายมากเป็นเรื่องที่สําคัญมากเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากถึงคันว่าถึงคั้นว่าต้องใช้ถึงสามพระนามของพระลอผู้ที่ดูแลมนุษย์นะผู้ที่เป็นเจ้าของมนุษย์นะ ผู้ที่ถูกแกว้โดยมนุษย์นะฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์มินชาร์ริลวัซแว s ์ซิลคอนเสให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของการกระซิบกระซาบของคอนเนสเพราะจุดเริ่มต้นเพราะจุดเริ่มต้นของความชั่วร้ายทุกอย่างที่เราทำ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 ดูสิทำไมภรรยาไม่ยอมเสิร์ฟน้ําให้อ่ะดูสิสามีมันกลับบ้านชา้ามันมัวแต่เลน่นมือถือมันเล่ น, ลลนไลน์อะไรก็ไม่รู้ของมันแป๊บเดียวความคิดผึบมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นร้อยบางทีคนนอนอยู่เฉยๆครับเราตัดสินเขาได้เป็นร้อยเรื่องแล้ว <c oughs> อันนั้นเอ็นดูไปเร่อยน่าดูไปเรือยนะครับอาคมรับดีด้วยจบอาคมอ่าผมไข้เผาครับมีเรื่องหนึ่งครับผม อ, อผมเผาออกสื่อได้ก่อภรรยาที่รักคนที่อยู่ในพี่น้องทางบ้านอุ่นถูไว้นะครับมีครั้งหนึ่งภรรยาผมตื่นมาครับแล้วก็หนูหยีดผมหนูยีดผมผมก็เอ๊ะที่รักวันนี้เป็นอะไรเหรอภรรยาบอกไงครับเขาเรียกผมก็ครูนะคือผมกินสมพานกินไก่วัดแต่งงานกับลูกศิษย์เขาเรียกก็ครูอ่ะนอกใจหนูในฝันนี่ย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 มันเป็นความฝันแต่ใช้ตอนมันสามารถทําให้วันทั้งวันของเราอ่ะเป็นวันที่หม่นหมองเป็นวันที่เศร้าเป็นวันที่แย่โดยที่เราอยู่แค่บนเตียงแสดงว่ามันมันหาช่องที่จะเข้าทําลายเราปุ๊นะครับผมเพราะว่ามันรับปากกับบรรล้อมุดใช้เข้าวลัปากเลยมันท้าทายกับบลรล้อไว้อล้อกล่าวในกุรานบอกว่าไงครับที่เบลิสบอกอ่ะครับพี่น้องที่รักเบลิสบอกว่าไงครับแค่จะมาหาพวกเขาแค่หมาถึงพวกชัยตอน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 Allah ม a r a hatina i t a m a s a l h ที่ Muhammad ibu s i l d i s e m i n t t a เดี๋ยวขอแก้ข่าวกันนะครับภรรยาผมน่ารักนะครับผมมีม่แค่แค่บางทีก็สามีภรรยามีอะไรกันบ้างแต่ก็โดยรวมอัลทัมดีลินลครับผมพี่สาวผมไม่อยากทำหน้าจาครับพี่สาวผมไม่อยางยิ้มแปลกแปลกอ่ะ อ เ, เอาเตรียมครับต้องแก้่าวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกลับมาที่สุรนันนเสานะครับผมอัลลอฮ์ยูวะสุฟิสุดูรินนะหลังจากที่เราบอกไงครับอัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์เนี่ยต่อผู้ที่ดูแลฉันต่อผู้ที่เป็นเจ้าของฉันต่อผู้ที่ฉันกราบไหว้ขอให้คุ้มครองฉันให้ผลจากคอนนสคอ น, นสคือผู้ที่คอยกระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์ คือถ้าหมายถึงชัยตอนแบบเมื่อกี้ก็คือก็ชัยตอนที่อยู่ในใจเลยเอาล้อใช้คําว่ากระซิปกระซาบที่หัวอกสุดูดินัสปกติคนเรากระซิบกระซิบที่ไหนครับหูแต่เวลามันจี้มันจี้ที่ไหนจี้ที่ใจแปลงไหมมันเข้าหูนะแต่มันจี้ที่ใจนะเอาล้อเลยใช้ว่าคนที่กระซิบกระซาบที่เข้าไปในหัวอกเลยคือมันคับ อ, อกคับใจมันแ้นมันอะไรมันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่อยู่ตรงนี้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 เพราะฉะนั้นครับที่อยู่ร่วมกับพวกเราในสังคมมีทั้งคนหวังดีประสงค์ร้ายหวังดีจริงๆหรือไม่ได้คิดอะไรเลยแต่แค่อยากพูดฉเฉยๆผมขอยกคาพูดกาเฟสหนึ่งรู้จักโซเครติสนะครับโซเครติสนะเป็นต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าต้องบอกเป็นไงหัวหน้าสานักคิดประชาทางตะวันตกครับ ยุค ก, ก่อนคริสต์ศักราชแล้วประมาณสาม0ี่ร้อยกว่าปีโซเชติสครับมีครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนมาหาเขามีคนมาหาเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยโซเชติส so คุณรู้ไหมเนี่ยผมได้ยินข่าวไม่ดีเกี่ยวกับญาติคุณมาญาติคุณเป็นคนไม่ดีกันำลังจะพูดต่อโซเชติสบอกแ ป, ป๊บนึงแ ป, ป๊บนึงแ ป, ป๊บนึ ง, ปปนงคุณกำลังจะเอาเรื่องไม่ดีมาพูดให้ผมฟังใช่ไหม mm. ผมขอถามคุณสามคถาม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 สอดคล้องกับคําสอนอิสลามเลยเร า, าบอกไงครับคุณจะอินจาอักฟาซิกุนบีนาบอินฟาตาไบยะนูอันตุซีบูเกามันบิจฮาและตินฟัตุสบิู阿拉มาฟาลูณะไนมีขอมาปับช่วงท้ายผมจำไม่แม่นความหมายที่เร า, าบอกในกุญแจว่าไงครับศรัทธาชนทั้งหลายหากว่ามีคนที่คุณไม่แน่ใจว่าเขาดีไม่ดีคนชั่วร้ายเอาข่าวอะไรมาให้คุณคุณต้องยืนยันก่อนยืนยันความถูกต้องก่อน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 คือการพูดเรื่อชาวบ้านเห็นด้วยนะผมก็เป็นผมก็เป็นผมก็เป็นแต่มันเป็นแบบใหญ่นะแล้วก็ทําได้ง่ายมากง่ายก็แค่พูดในเข้ากลุ่มปุ๊บไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดเรื่องนี้และภาษาหลับเพรามีภาษิาที่เรียกว่าแฟร์แกตุนมาจิลิสเป็นผลหมากลากไม้แห่งการพูดคุยคือพูดคุยแล้วมันอริดอร่อยเรื่องชาวบ้านถูกไหมครับยิ่งเร็วไม่ดีนะออาจารย์นุ้ยาถ่านมันจะอี้เนีแต่ะอยู่บ้านมันจะอั้นมันใจอี้มันอร่อยเหลือเกิน เออไ่แไม่เลยไปไปบอกใครต่อนี่ลแล้วก็คนฟังบางทีก็โ อ, อ้ศาสตร์กว่าเป็นจากแ อ, อนอต้าแต้มเหมือนใจแก บ, บางทีหนักกว่านั้นอีกบางทีหาว่าแล้วว่ามันต้องเป็ี่นจาอีไม่มีการสอบสวนไม่มีการไต่สวนกลายเป็นคนผิดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือภาพสะท้อนในสังคมปัจจุบันใช่ไหมครับ ทำให้ถึงเป็นบาปใหญ่มีตัวบทไม่ต่ำกว่าสิตัวบทที่ยืนยันถึงเรื่องความเป็นบาปใหญ่ของการพูดเรื่องชาวบ้านซึ่งมีเวลาเดี๋ยวเราเค่อยคุยกันตอนนี้่เวลาไม่พอครับอย่างสำหรับวันนี้ครับสุรอ้อนนสัสเดี๋ยวมาต่อการอาทิตย์หน้านะครับในประเด็นว่าหากอยากรู้จักมนุษย์ทําไมถึงต้องมาพูดคุยในสุรอ้อนนัสครับสำหรับวันนี้พูดสิ่งใดรบกวนรุร่งเกินใครไปขอมาฟด้วยนะครับแล้วก็อยากจะบอกภรรยาว่ารักนะจุ๊บจครับเผื่อเขาจะดู ครับอาด้วปิดประชุมนะครับบานก็ลอมาไปทำที่กตัอนไลลัตาสรางแบบตูไรส์สรางมาอกุมสำตุลลอบาบริการ